วันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราชสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ ทรงมีความเมตตามีพระคุณต่อปวงชนชาวไทยทางราชการจึงได้ถือวันนี้ <c oughs> เป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อให้ พวงชนชาวไทยได้มีเวลามารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่และมาประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชา เป็นการบูชาที่แท้จริงบูชาจะ บ, บูชนญานังเอตัมมังกะลมุตตังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิง่ง การบูชานี้ก็มีสองแบบด้วยกันแบบแรกเรียกว่าอาบิสบูชาบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูกเทียนและปฏิบัติบูบชาบูชาด้วยกายวาจาใจด้วยการกระทำตา ม, ตามคำสอน ของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระปัญญาญาณที่ทรงเห็นถึงผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจ ถ้าปฏิบัติในสิ่งที่ทรงสอนให้ปฏิบัติและละเว้นในสิ่งที่ให้ละเวน้นผลก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญตามมาเมื่อเกิดผลก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ได้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาอะไรจากพวกเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาก็ให้พวกเราได้ดุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงและถาวร ถ้าเราได้ปฏิบัติและได้ผลดังที่ทรงปรารถนาก็จะนำความเปื้อนปิติความสุขพระไทยให้แก่พระพุทธเจ้าแก่พระอรหันตาสาวกทั้งหลายผู้ที่สละเวลาที่หลังจากได้ บรรลุธรรมแล้วนำเอาธรรมอันเลิศอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังต้องตกอยู่ในความทุกข์ต่างๆที่จะไม่มีวันหมดสิน้นถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้า ไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระอาหารตสาวกผู้ที่รู้จากวิธีการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจนี่คือเรื่องของการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติ เพื่อให้เราได้ตุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้พบกับความสุขความเจริญที่ถาวรนถ้าเราได้รับผลนี้แล้วก็จะทำให้พระพุทธเจ้าและพระอาหาลัาตสาวกทั้งหลายมีความรู้สึกคุ้มเหนื่อยคืออุตสาหอบรมสั่งสอน แสดงธรรมเทศนาอย่างต่อเนื่องเมื่อได้มีผู้ที่ได้นำเอาไปปฏิบัติและได้รับผลก็ทรงรู้สึกว่าหายเหนื่อยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถ้าเราอยากจะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมคำสอน บูชาคุณของพระอาหารหันตสาวกและบูชาคุณของพระเจ้าอยู่หัวก็ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันนั่นเองพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็ต้องการให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีความปรารถนา ให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขถ้าเราได้ปฏิบัติจนพวกเราสามารถอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขไม่มีปัญหาต่อกันละกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกันเพราะผลที่ได้รับจาก การปฏิบัตินี้จะทําให้จิตใจมีความอิ่มมีความสมบูรณ์มีความพอไม่มีความต้องการอะไรต่างๆเหมือนกับผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจิตใจจะมีแต่ความหิวมีแต่ความอยาก จึงทำให้ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกันไปต่อสู้กันไปเป็นข้าศึกสัตรูกันไปสร้างความทุกข์ให้แก่กันเพราะไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ศึกษาและให้ปฏิบัติกัน ก็คือให้เข้ามาข้างในใจให้เข้ามาหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในใจนี้ความสุขต่างๆที่อยู่ภายนอกใจเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะล้วนเป็น ความสุขปลอมทั้งนั้นเป็นความสุขหลอกเพราะเป็นความสุขเหนียวเดียวแล้วก็มีความทุกข์ตามมาตอนนี้ถ้าขยับกันหน่อยนะตอนนี้ฝนลงแนะใครอยู่ใกล้เครื่องเสียงช่วยหยิบเครื่องเสียง เข้ามาไว้ในที่ร่มด้วยจะเข้ามาบนศาลาหลังนี้ก็ได้หรือจะไปศาลาหลังใหญ่ก็ได้มีทั้งชั้นบนชั้นล่าง่ังนั้นเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติ บ, ตบญชากันด้วยการนั่งทาใจให้สงบ การทำใจให้สงบนี้เป็นการเข้าหาความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเรารู้จักวิธีสร้างและวิธีรักษาเราจะสามารถสร้างความสุขใจนี้ได้ ตลอดเวลาที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องมือไม่ต้องมีลาบยศสรรเสนไม่ต้องมีรูปเสียงกิรโพธะภะไม่ต้องมีร่างกายร่างกายนี้จะตายไปก็ไม่เป็นปัญหาอ ตอนนี้ผนตกการแสดงธรรมก็จะฟังลำบากก็ขอให้เรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันพิธีกจะทำใจให้สงบก็ต้องควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องหาอะไรให้ใจทำ เช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือการสวดมนต์หรือการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออขอให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพยายามดึงใจให้อยู่กับงานที่เรากำนกหนดไว้ถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธ ก็ขอให้บริกรรมไปอย่างต่อเ น, นื่องเวลามีวามคิดเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอื่น สเสียงฝนตกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับงานที่เราตั้งให้ใจทําดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไปหรือวิธีไหนที่เราใช้แล้วได้ผลก็ใช้วิธีนั้นไปได้ทั้งนั้นเหมือนกันเป้าหมายก็คือต้องการไม่ให้ใจคิดคอยสังเกตว่าคิดหรือไป ถ้าคิดก็อยา่าไปสนใจกลับมาทำงานของเราต่อไปดูลมต่อไปพูดโทรต่อไปตอนนี้ผนก็ได้หยุดพอที่จะพูดรรมากต่อได้ขอพูด ต, ต่อสักเลกน เกี่ยวกับการปฏิบัติดูชาอย่างที่เราเพิ่งได้ทำกันถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้ไปเรื่อยๆวันนหนึ่งนั่งสมาธิไปพอออกจากสมาธิมีอาการเมื่อเราก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ แต่ใจของเราก็ทํางานอันเดิมก็คือทอยควบคุมความคิดด้วยการเจริญสติไปเรื่อยๆพุทโทไปเรื่อยๆถ้าเราใช้พุโทโธถ้าเราใช้ลมหายใจเวลาที่เรานั่งเวลาลุกขึ้นมาเดินจะดูลมหายใจต่อก็ได้หรือจะดูเท้าที่เราเดินก็ได้ เวลาเราเก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่าซ้ายเวลาเราเก้าวเท้าขวาก็ให้รู้ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆการเดินจงกรมนี้เป็นการเปลี่ยนอิรนทาบทของร่างกายถ้าร่างกายต้องมีการขยับเขยื่อนบ้างนั่งนานๆก็จะมีอาการเจ็บเมื่อย ถ้าเดินานานๆก็มีอาการเมื่อยเหมือนกันจึงมีการเปี่ยนอิริยาบถเดินบ้าง น, นั่งบ้างสลับกันไปเมื่อร่างกายอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนก็หลับนอนหลับบ้างถ้าเราสามารถปฏิบัติในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นี้ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ ต่อไปเราจะไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อยให้ยากให้วุ่นวายเพราะเรามีความสุขกับการปฏิบัติของเราเราควบคุมความคิดของเราได้ใจของเราก็จะว่างจะเย็นจะมีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะตั้งเป้าเอาไว้ คือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นเป็นปกติของชีวิตคือถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะรู้สึกว่ามันไม่ยากจะรู้สึกว่าสบายไม่วุ่นวายเหมือนกับความการไปหาความสุขข้างนอกใจไปหาลาภยศสารเสริญ ไปหาความสุขทางตาหูจมูกขิ้นกายที่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายมีตัวแปรมากมายได้มาแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วต้องหามาเพิ่มใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งก็จะไม่มีความสามารถที่จะหาได้ เวลาร่างกายแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปในเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานใจพอไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แต่ถ้าเราหาความสุขภายในใจของเรา ด้วยการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องในอิริยาบถสี่เดินยืนนั่งนอนให้มีสติคอยควบคุมใจควบคุมความคิดไว้เรื่อยๆใจจะสงบใจจะเยน็นจะมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟัง ไม่อยากจะไปที่นั่นที่นี่ไม่อยากจะไปหาคนนั่นคนนี้อยู่คนเดียวมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขไปเรื่อยถ้าเราอยากจะพัฒนาความสุขของสติของสมาธิให้เป็นความสุขที่ขาววเวลาเราออกจากสมาธิมาหลังจากที่เรามีความชำนาญในการ จะเริ่สติในการหยุดความคิดได้แล้วเราก็มาสอนใจให้คิดแต่ในทางที่จะทําให้เราไม่อยาดไม่ต้องการอะไรเพราะความไม่อยาดความไม่ต้องการอลไรนี่แหละจะทําให้ใจเราอิ่มทาให้ใจเราพอจะได้ไม่ต้องมาบำเพ็ญต่อไป ถ้าใจอิ่ใจพอแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ไม่ต้องบริกรรมพุทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกก็ใจไม่มีความอยากใจก็จะไม่คิดหาเรื่องสร้างความหิวสร้างความทุกข์ให้กับใจนีคือขั้นต่อไปนงจากที่เรา นั่งสมาธิได้แล้วมีความชำนาญนั่งสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแต่เวลาเราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ควบคุมความคิดใจเราจะเกิดความอยากขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการทําลายความอยากให้หมดไปเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความจริงมาสอนใจให้เห็นโทษของความอยาก ถ้าเห็นโทษของสิ่งที่อยากได้ว่ามันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่ใช่ของเราเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไปไม่ได้ห้ามเขามาไม่ได้เวลาเขาจะมาเขาก็มาเวลาเขาจะไปเขาก็ไปถ้าเราอยากจะให้เขาไปเวลาเขาไม่ไปเราก็จะทุกข ถ้าเราอยากจะให้เขามาเวลาเขาไปเราก็จะทุกถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะมาหรือเขาจะไปก็จะไม่คุ็ปัญหาอะไรเราจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรเพราะเรามีความสงบมีความไม่อยากนี่เป็นที่ตั้งของใจถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะสงบตลอดเวลาจะมีความสุขตลอดเวลา เป็นขั้นที่สองขั้นแรกก็คือหยุดความคิดทําใจให้สงบพอหยุดความคิดได้แล้วต่อไปก็สามารถสั่งให้ใจคิดไปในทางที่ทําให้ไม่อยากได้เช่คิดไปในทางที่ไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจาก่อไปอยดี เวลาไม่มีเขาเราก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้เขาเขาจะมาหรือเขาจะไปเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือใช้ปัญญาสอนใจเวลาเกิดความอยากหรือเวลายังไม่เกิดความอยากจะสอนไว่ล่วงหน้าก่อนก็ได้สอนซ้อมไว้ก่อนต่อไปจะต้องพบกับเรื่องที่จะทำให้เราต้องเกิดความอยากขึ้นมา เนเวลาร่างกายเจ็บเราจะมีความอยากให้หายอยากให้ไม่เจ็บแต่เราไปสั่งให้ความเจ็บหายไปไม่ได้ถ้าเราอยากแล้ว เ, เราจะทุกข์มากถ้าเราไม่อยากเราปล่อยให้เขาแสดงความเจ็บของเขาไปเขาอยากจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับเขา ใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายจะไม่เครียดจะเฉยๆจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เช่นเดียวกับความตายของร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเวลาร่างกายจะตายถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เครียดเราจะอยู่กับเขาได้อย่างสบาย เวลาเขาไปก็ป่อยเขาไปเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเวลาเกิดความตายขึ้นมาเราจะสามารถสอนใจให้อยู่เฉยๆได้ไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วุ่นวาย ไปกับความตายของร่างกายเช่นเดียวกับการทักท่าจากของละทั้งหลายเวลาเขาจะจากเราไปเราจะเฉยๆได้ถ้าเราได้สุดใจให้เฉยให้มีปัญญาคอยปราบความอยากให้เขากลับมาบางปัติเวลาเรามีอะไรเราจะไม่อยากให้เขาจากเราไป เราจะอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆต้องมีวันที่จะต้องจากกันความทุกข์ของเราก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการจากกันนี่เองเพราะเราอยากให้เขาไม่จากเราไปถ้าเราหยุดความอยากไม่ได้พรอะเห็นความจริงว่าเราหยุด เขาไม่ได้เขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้เราไม่เป็นอยากให้เขาไม่ไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่แหละคือการใช้ปัญญาที่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้หมดพอไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยจะไม่มีความหิวจะไม่มีความต้องการอะไร จะอยู่เฉยๆอย่างเหมือนกับที่เรานั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่คือการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าปรารถนาให้พวกเราปฏิบัติกันเพราะจะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรระดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจ พอเรามีแต่ความสุดไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่มีการกระทำอะไรที่จะไปทาให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจะไม่มีการฆ่ากันไม่มีการรักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดโปรนีไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่มีการเสพอบายามุขต่างๆที่ผู้ที่ยังไม่มี ความสงบจะใช้เป็นวิธีดับความทุกข์กันถ้าไม่มีการกระทาที่ไม่ดีสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นตป็นสุดบ้านเมืองก็จะสงบทุกคนก็มีความสุบมีความเจริญเป็นตึกแผงแน่นหนาก็เป็นความปรารถนาของผู้ปกครองประเทศคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้ประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขวิธีที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดก็ต้องอยู่แบบปฏิบัติบูชาตามแนวที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือให้เข้าหาความสุขข้างในใจอย่าไปหาความสุขข้างนอกเพราะมันจะทําให้ด้อยความอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะความสุขข้างนอกได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องหามาเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆพอหาการทุกคนก็จะต้องไปแย่งกันไปแข่งแย่งชิงดีกันไวต่อสู้กันแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่พอในที่สุดก็จะทำให้เกิดมีปัญหาต่อกันมีการทะเลาะวิวาทกัน มีการต่อสู้กันทำให้บ้านเมืองแตกสามคัคคีทำให้บ้านเมืองไม่สงบและอาจจะล่มสลายได้ด้วยการกระทำของประชาชนในประเทศเองศัตรูที่แท้จริงนี้ไม่ใช่ภายนอกแต่คือศัตรูภายในคือความแตกแยกสามคัคคีที่เกิดจากความอยากที่ไม่มีขอไม่มีเขต พอไม่รู้จักวิธีปฏิบัติบูชาพอถ้ารู้วิธีปฏิบัติบูชาและปฏิบัติได้จะทําให้ใจสงบทําให้ใจอิ่มใจพอจะทําให้ใจไม่ต้องไปต่อสู้แก่งแย่งชิงดีกันไม่ต้องทําทําลายบ้านเมืองไม่ต้องแตกสามัคคีกันทุกคนจะอยู่กันอย่างสงบอยู่อย่างมีความสุข ดังนั้นในวันพ่อแห่งชาตินี้ก็ขอให้พวกเราจงใช้เป็นเหตุให้พวกเรามาปฏิบัติบูบชากันและขอให้ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะวันนี้เท่านั้นเพราะการปฏบบิบัติบูชานี้จำเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะถึงเป้าหมายคือความสิ้นสุดของความอยากทั้งหลายแล้วเราก็จะมีความสุดไปตลอดการแสดงก็ทอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ อ, อยะภ า, าวาริวะ า, าปุราปาริปุริติสากลัง เอวันิวาสิตินังเปตานุปกปติอิชิตังปติตังุหังคิปะเนวะสมิจาตสัเทฟเรงตูสังกะปาจันโทปนารโสยธามณีโติาราโสยธาสัพติโยิวัชานตุสัพพโโควินาต มาเตผวะจวันตาลาโยสุ k ีทีขายุโคภาวะอาทิวาธนาศิลิศนิจงุทธาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัา คำถามจากอินเทอร์เน็ตค่ะข้อแรกค่ะเด็ก8ขวบค่ ะ, ะฟังเทศของพระอาจารย์ทุกวันแม่เปิดให้ฟังในรถเขาไปโรงเรียนถูกเพื่อนยืมเงินเป็นประจำบางครั้งก็ขอเขาเขาก็ให้ทุกครั้งพอฟังเทศเรื่องช่วยคนท่านบอกว่าต้องสอนให้เขาจับปลาไม่ใช่เอาปลาไปให้เขา เด็กอยากรู้ว่าเด็กจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ให้เงินเพื่อนเพราะใจอ่อนทุกครั้งค่ะถ้าอยากจะให้เงินเขาก็ให้เขาทำอะไรสักอย่างเช่นให้เข า, เาทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อเขาจะได้เห็นคุณค่าของเงินที่เขาได้ว่าเป็นสิ่งที่หายาก ไม่ใช่ที่จะมาได้ง่ายๆให้เขาช่วยเก็บขยะในโรงเรียนหรือให้เขาช่วยสอนเราทำการบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเขาจะได้รู้จักเหตุของเงินทองว่ามาได้อย่างไรแล้วจะทำให้เขาจะได้สนใจกับการเจริญเหตุก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีหางเงินเอง จะได้ไม่ต้องไปขอจากผู้อื่นอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการให้ปลากับการจับปลาถ้าเราให้ปลาเขาไปทุกครั้งที่เขามาขอเขาก็จะไม่รู้จักวิธีจับปลาเองถ้าเราสอนเขาพาเขาไปจับปลาพอเขาจับปลาเองได้เขาก็จะไม่ต้องมาขอปลาจากเราเอีกแลว บางทีเราก็อาจจะไม่สามารถให้ปลาเขาได้ไปทุกครั้งด้วยแต่ถ้าเขาสามารถหาปลาของเขาเองได้เขาก็จะไม่ต้องมายุ่งกับเราไม่ต้องมาขอเราแล้วเขาก็จะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องมาคอยพึ่งเราสาหรับเราเองเราก็ต้องใช้เหตุผลในการให้ถ้าการให้นั้นมีเหตุไม่ผล เช่นเขาไม่สามารถที่จะหาได้ด้วยตัวเขาเองเช่นเขาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการอย่างนี้เราก็สมควรที่จะให้เขาแต่ก็ต้องมีขอบใีเคสมีความสมดุลเหมาะสมกับการต้องการของเขาคือสิ่งที่เราควรจะให้นั้นควรจะให้ สิ่งที่เป็นเพื่อการอย่างชีพเช่นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มหรือที่อยู่อาศัยไม่ควรที่จะให้แบบไม่มีเหตุมีผลเลือให้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเช่นไปก่อนหนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมาให้เราช่วยถ่านหนี้ให้ถ้าเราช่วยเขาครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเขาก็จะไปก่อนหนี้ใหม่ แล้วเขาก็จะกลับมาขอให้เราช่วยใหม่ถ้าเขาให้เราช่วยอย่างนี้เราก็ต้องปฏิเสธไปขอให้เราคิดว่าเป็นกรรมของเขาที่เขาเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นมาเองไม่ได้เป็นความผิดของเราและการที่เราจะช่วยเขาแบบนี้ก็จะช่วยแบบไม่มีวันจบเขาก็จะต้องขอยให้เราช่วยอยู่เรื่อยๆเขาก็จะไม่รู้จักพึ่งตนเอง เขาก็จะไม่เข็ดหลับถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วเขาต้องไปหาวิธีใช้หนี้ของเขาด้วยการไปทำงานหรือด้วยการไปทาอะไรที่ยากลำบากที่เขาไม่อยากจะทำแต่พอเขาทำได้แล้วต่อไปเขาก็จะเข็ดจะไม่อยากจะมีหนี้เช่นถ้าเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็ จ, จะถูกจับไปขังคุกขังตาราง ก็ต้องปล่อยให้เขาติดทุกไปเพื่อจะได้เป็นเพื่อจะได้เป็นบทเรียนสอนใจให้เขารู้ว่าการกระทำแบบนี้มีโทษมีความเสียหายตามมาถ้าเราไปคอยปดเปื้องนี่ให้เขาเรื่อยๆเขาจะไม่เห็นโทษไม่เห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะทำต่อไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะไม่มีปัญญาที่จะ ช่วยเขาได้เขาก็ต้องเจอมันเขาก็จะต้องพบกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเขาดังนั้นควรจะปล่อยให้เขาใช้กรรมของเขาไปถ้าเขาเดือดร้อนในการในสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปสงเคราะห์เช่นเขาชอบเล่นการพนันแล้วก็เอาเงินไปเล่นจนหมดเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็จะมาขอให้เราช่วยอย่างนี้หรือเขา ชอบดื่มสุรายาเมลดื่มสุราแล้วก็ไม่ไปทำงานตกงานแต่ไม่ยอมเลิกดื่มสุราไม่มีไรายได้ก็ยังดื่มอยู่พออยากจะดื่มก็มาขอเงินคนอื่นดื่มอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะให้พอจะสนับสนุนให้เขาทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเขาเองต้องให้เขาได้รับโทษจากการกระทาที่ไม่ดีของเขา เพื่อเขาจะได้เข็ดราและจะได้ไม่ทำต่อไปในอนาคตเราก็ต้องถือหลักที่พระเจ้าสงสอรว่าให้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมบันไดไว้ดีหรือไม่ดีก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเขามาขอเพราะเขาอยากได้โดยที่ไม่มี ความจําเป็นที่จะต้องขอเราก็อยากไปให้เขาเขาอยากจะได้ก็ให้เขาหาเองถ้าหาไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขาเองแล้วต่อไปเขาก็จะได้ไม่อยากได้จะได้ไม่ต้องไปขออยีกเรื่อยๆคาถามต่อไปนะคะจากคุณเก๋รักค่ะขอรบกวนถามสภาวะตอนนั่งสมาธิเจ้าค่ะพอเริ่มนั่งได้สักพักเห็นจิต กับกายมันแยกออกจากกันแล้วก็เห็นความคิดกับจิตแยกออกจากกันบางทีเห็นว่าความคิดมันเกิดขึ้นมาเองพอจิตเข้าไปรู้มันก็รู้เรื่องที่คิดว่าคิดอะไรบางครั้งความคิดผุดขึ้นมาแต่จิตไม่เข้าไปรับรู้ไม่เข้าไปแปลค่าสักแต่ว่ารู้ รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปลูกเห็นอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะอย่างนี้เป็นสัมมาสมาธิไหมเจ้าคะลูกเดินมาถูกทางไหมเจ้าคะก็ถูกทางที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาส ม, มาธินี้ก็ควรจะรู้เฉยๆคือไม่ควรที่จะมีความคิดปนุงแต่งอะไร เกิดขึ้นถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ก็ควรที่จะใช้สติระ ง, งับความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นไปให้ใจว่างให้ใจนิ่งมีแต่อุเบกขามีแต่สักแต่วรู้มีความสงบมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าสมาสมาธิถ้ามีมีการรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราลบรู้ อย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิืูเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นที่เรารู้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเราไปมีความอยากให้เขาไม่ดับเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาหรือถ้าเขาอยาหรือว่าเราอยากจะให้เขาดับตอนที่เขายังไม่ดับเราก็จะวุ่นวายใจได้ แต่ถ้าเรารู้เฉยๆรู้ว่าเขามาเขาคิดอย่างนี้เราไม่ไปสนใจเราปล่อยไปเดี๋ยวเขาก็ดับไปก็จะเรียกว่าทั้งเป็นทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมม า, ทมาทิทิฏฐิก็ได้ถ้าอยู่ในลักษณะนี้ค่ะคำถามต่อไปค่ะจากคุณ ปราภัตราสาโรดวินิตกุลนะคะถามว่ากราบนรัาการเจ้าค่ะอยากเรียนถามว่าถ้าเราไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำบุญใส่บาตรพระทุกวันแต่เพียรพยายามมุ่งมั่นที่จะรักษาศีลห้าให้ได้อย่างเคร่งครัด ช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมในหมู่บ้านเดียวกันจนทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นหรือแม้แต่การแบกเบาความทุกข์ใจให้กับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการสร้างบุญบารมีได้หรือไม่เจ้าคะและบุญบารมีที่เราเพียรสร้างสามารถอุทิศหรือแบ่งบุญให้กับเทวดา หรือทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ได้หรือไม่กาบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค้าที่ช่วยแนะนำแนวทางสว่างค่ะคือบุญนี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกันการกระทำที่จะทำให้จิตใจเรามีความสุขบุญที่เรารู้จักกันโดยอย่างแพร่หลายโดยทั่วไปก็คือทานคือการแบ่งปัน สิ่งที่เรามีมากเกินความจาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหรือสิ่งของต่างๆอันนี้ก็บุญที่เราเรียกว่าทานการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเช่นคนคนแก่คนชราคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเขาเองได้อันนี้ก็เป็นบุญอีกชนิดหนึ่ง ว่าบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือได้ได้ดูแลได้รับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็เป็นบุญเช่นมีผู้อื่นเขามีความทุกข์ใจไม่สบายใจแล้วเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปบอกไปสอนเขาเราสามารถทำให้เขาหายจากความไม่สบายใ จ, จได้อันนี้ก็เป็นบุญ เรียกว่าธรรมทานหรือที่เราช่วยกันผิดหนังสือธรรมะแจกแล้วคนที่รับหนังสือไปพอเขาได้อ่านเขาก็ได้หูตาสว่างได้รู้จักเรื่องของความสุขความทุกข์ว่าเกิดจากตัวเขาเองแล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจเขาก็รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจได้นั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเหมือนกัน แต่บุญที่เราใช้ในการอุทิศนี้เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็เป็นบุญที่เกิดจากการทำทานคือการแบ่งปันเช่นเราทำบุญใส่บาตรพระหรือเราจะทาบุญกับผู้อื่นก็ได้ให้เงินให้ทองไครแล้วเวลาให้แล้วเราจะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาความอิ่มใจสุขใจนั่นแหะเป็นบุญที่เราสามารถอุทิศได้ เพราะผู้ที่รอรับบุญแบบนี้ก็คือผู้ที่มีความหิวคือผู้ที่เวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยทําบุญมีแต่อยากได้ของคนอื่นพอตายไปก็มีแต่ความอยากได้ติดตัวไปไม่ได้มีความอิ่มใจแบบคนที่ทําบุญได้กันก็เลยต้องมาขอความอิ่มใจจากผู้ที่ได้ทําบุญให้ทาน เวลาเราทาบุญให้ทานแล้วเราเกิดความสุขความอิ่มใจเราก็อุทิตความอิ่มใจนี่แหละไปให้กับผู้ที่เขาต้องการพอถ้าถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับเขาก็จะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาแต่บุญอย่างเอื่นนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยได้ยินว่าจะใช้อุทิตกันได้คำถามต่อไปค่ะ จากคุณสุรัตน์วดีบุญปลูกค่ะเมื่อกระทบสิ่งภายนอกจิตจะปรุงแต่งมากนำไปคิดไม่ค่อยอยู่นิ่งเลยใช้คำภาวนากำกับก็ยังไม่อยู่ตามดูแล้วมีความรู้สึกวุ่นวายจะทำอย่างไรดีคะหรือเป็นเพราะไม่มีความเพียรหรือบุญไม่มีคะคือการที่เราจนนะรับ ดับความคิดฟุง้งร้างได้านก็มีสองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือการใช้สติถ้าเราฝึกสติแล้วมีกำลังมากพอเวลาเราเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดอารมณ์วุ่นวายใจเราสามารถใช้สติหยุดมันได้เช่นเรามีพุโทโธพุโทโธฝึกพุโทโธอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ พอเวลาที่เราเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราสามารถบริกรรมไปได้อย่างต่อเนื่องไม่นานความฟุงง้งซ่านอนั้นก็จะหายไปได้แต่ถ้าเราไม่มีสติพอที่จะบริกรรมพุโทโธแต่เราเป็นคนที่ชอบคิดด้วยเหตุด้วยผลเราก็สามารถใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลนี้ มาดับความวุ่นวายใจของเราได้โดยที่เราต้องเข้าไปถามตัวเราเองว่าความวุ่นวายใจของเรานี้เรากำลังวุ่นวายใจกับเรื่องอะไรเพราะว่าเราอยากจะให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงวุ่นวายใจแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนว่า ความวุ่นวยายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราเพราะว่าเราไม่เห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเขาก็อยู่ภายใต้คำสั่งของเราบางทีเขาก็ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเรา แล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เสมอไปบางทีก็ห้ามได้บางทีก็สั่งได้บางทีก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าเราอยากจะใจให้สงบเราก็ต้องปล่อยเขาอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พราะเราปล่อยได้แล้วใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านเช่นเรา มีปัญหากับลูกอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วลูกมันก็ไม่ยอมเป็นตามที่เราอยากเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าทำได้เท่านี้เขาจะไปเป็นสุนัขก็เรื่องของเขาเขาอยากจะไปติดคุกติดตารางไ่ติดยาเสพติดก็ต้องปล่อยให้เขาติดไป เพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเราก็จะใจก็จะสงบใจก็จะเย็นได้ถ้าอยากจะปล่อยได้จริงๆก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นลูกเราเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเขาเป็นสัตว์ประาของเราคาาอยทวงหนี้เราทุกวันเช้าก็ของเงินเรานะถ้ามันไปได้ก็ยิ่งดีถ้าอย่าไปมองว่าเป็นลูกเราแล้วเราจะปล่อยได้ง่าย ถ้าเราไปมองว่าเป็นของเราแล้วเราจะปล่อยได้ยากเราต้องไปมองว่าสักวันหนึ่งเขาว่าต้องไปาตามทางของเขาเขาโตขึ้นเดี๋ยวก็เจอแฟนเขาก็ไปอยู่กับแฟนเขาแล้วเขาไม่สนใจกับเราหรอกเราไปทุกข์กับเขาทําไมแต่เราก็ต้องทําหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุดแต่อย่าไปทุกข์กับเขาทําแล้วก็ถ้าเขาไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ถือว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้ว ค ท, ทุกค่ ะ, ะคำถามตกค้างนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะหลานที่รับภาระเลี้ยงดูเจเร่ก้าวร้าวเห็นผิดเป็นชอบกลัวว่าสักวันหนึ่งจะได้รับข่าวร้ายจากการกระทำของเขา จะวางใจอย่างไรเมื่อเวลานั้นมาถึงพยายามหาอุบายปลงนั่งสมาธิและพยายามปลงได้เป็นครั้งคราวขอหลวงพ่อเมตตาค่ะก็คำตอบก็อยู่ที่คำตอบเมื่อกี้ที่พูดมาต้องอย่าไปคิดว่าเขาเป็นลูกเราคิดว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราดีสกมันจะได้เจ็บเรือเจ็บตัวจะได้ สาธุค่ะ่าคําคถามาจากท่านเดิมนะคะต่อจากคําถามเมื่อกี้นี้แต่งงานมานานลังเลเรื่องการมีลูกเพราะมองเห็นแต่ปัญหาและเห็นภัยจากการเลี้ยงหลานแต่พ่อแม่แฟนกดดันอยากให้มีแก่แล้วจะได้มีคนดูแลใจนึงก็สงสารแฟนแต่อีกใจก็เห็นโทษจากการมีลูกสับสนขอหลวงพ่อเมตตาค่ะ <c oughs> ก็เอาตามแบบน้งพ่อก็แล้วกันน้องพก็ไม่มีลูกเหมือนกันเค่ะสาธุค่ะาจากคุณเกิดไม้นะคะาจากที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้งเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนที่กลั่นแกล้งจึงเกิดความทุกข์ใจขอหลวงพ่อแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์แก่บุคคลที่ถูกเบียดเบียน โดยฝ่ายเดียวและไม่ได้โต้ตอบใดๆแต่มีความสั่นสะเทือนในใจที่ไม่สามารถดับลงได้ค่ะขอคิดว่ามันเป็นการใช้เวรใช้กรรมของเราก็แล้วกันชาติก่อนเราก็คงจะไปเคยกันแกล้งไปเบียดเบียนผู้อื่นชาตินี้เราก็เลยต้องมารับวิบากของเราที่เราได้ทำเอาไว้และวิธีที่จ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดี ที่สุดก็คือให้ใช้หลักที่ทรงสอนให้คิดว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมจะได้ไปเกิดใหม่ค่ะสาธุค่ะ คําถามต่อไปจากคุณนิติธรเดชรังสิตขอกราบนมัสการเรียนถามว่าถ้าเรานอนภาวนาแล้วหลับไปเลยจะเป็นไรไหมครับก็ดีจะได้ไม่ต้องกินยานอนหลับแต่ผลทางภาวนาก็ไม่มีเท่านั้นเองแต่ได้ประโยชน์คือได้ได้พักผ่อนร่าง ก, กายสมมติว่าถ้าเรากินนอนไม่หลับอย่าไปกินยาภาวนาดีกว่าเพราะกินยาแนละ้วมันจะติด แล้วมันจะเป็นโทษยามันมีสารอะไรต่างๆใช้วิธีภาวนาดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปนับหนึ่งสองสามไปเพื่อหยุดความคิดปุุงแต่งพอไม่คิดแล้วเดี๋ยวก็หลับสบายคำถามต่อไปจากคุณนรพลเต่านะคะกราบพระอาจารย์ครับขอโอกาสเตียนถามพระอาจารย์ว่า เวลานั่งทาสมาธิภาวนาบางครั้งก็เกิดจิตสงบเกิดปิติสุขซาบซ่านเมื่อเลิกทำแล้วจิตใจจะเช่มชื่นเบิกบานแต่บางครั้งจิตจะสงบนิ่งๆเหมือนเคลิบเคลิ้มซึมเศรา้าพอจบเหมือนเราเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆไม่ทราบ ว, ว่าเป็นเพราะอะไรและควรทาอย่างไรดีครับเป็นเพราะเราหลับมไ้ไม่ได้สงบ ที่หลับก็เพราะว่าสติเราไม่มีหมดสติไปสติเรามีกำลังอ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งเช่นให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปในขณะที่เราทำอะไรต่างๆหรือเราจะใช้การเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปก็ได้อย่าปล่อยให้ใจเราคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ เพราะว่าเวลาเรามานั่งเราก็จะไม่สามารถควบคุมใจได้ถ้าใจง่วงใจก็จะหลบถ้าใจฟุ้งซ่านก็จะไม่สงบแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะแก้ความ่วงความฟุ้งซ่านเหล่านี้ได้นั่งแล้วใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขคําถามต่อไปจากคุณวาริศเชอร์ล็อกนิพพานคือสถานที่ หรือเป็นสภาวะของจิตหรือคืออะไรหรือครับนิพนิพานก็คือสภาวะของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่ที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่มาชำะกกระด้วยกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วใจของเราก็ เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ท่านก็เรียกใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ว่านิพพานเหมือนกับเสื้อผ้าที่สกปรกที่เราเอาไปซักพอซักเสร็จเสื้อผ้าก็สะอาดใจของเราก็เหมือนเสื้อผ้าที่ตอนนี้มันสกปรกด้วยความโลภความอยากความโกรธความหลงทำให้เรามีความเศร้าหมองมีความหดหู่มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจ อย่างไม่รู้จักจบจากสิ่งเพราะเราไม่รู้จักวิธีชาระมันหรือว่าเรารู้แต่เราไม่ขยันไม่สนใจแทนที่จะชาระเรากลับไปเพิ่มความโกรกโกรกให้มากขึ้นด้วยการทำตามความโลภทาตามความอยากทำตามความโกรธทำตามความหลงวิธีที่จะชาระก็คือเราต้องไม่ทำตามความโลภความอยากต่างๆเวลาเกิดความโลภ ก, ก็ต้องหยุด กอความอยากก็ต้องหยุดจะหยุดได้ก็ต้องมาปฏิบัติกันมาศึกษาแล้วปฏิบัติทำสามขั้นก็คือสติสมาธิและปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดได้หมดใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาเอาดูค่ะ อันนี้เขียนฝากมานะคะจากคุณนนท์นะคะโกษลา น, านันคำถามคือความไม่มีตัวตนต่างกับความมั่นใจอย่างไรเพราะขณะนี้สับสนไปหมดพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้มีตัวตนไม่ให้ยึดติดแล้วการที่เราภาคเพียนเรียนหนังสือหรือทำงานเป็นการสร้างตัวตนหรือไม่เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรครับ คือคำว่าตัวตนมันก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งความมั่นใจไม่มั่นใจมันก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้หรือทำลายมันได้ตัวตนนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองด้วยความหลงของเราเองความมั่นใจเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ความไม่มั่นใจก็เกิดจาก ความหลงของเราเองที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงทําให้เรามีความไม่มั่นใจถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีต่อไปเราจะสามารถกําจัดส่วนที่ไม่ดีส่วนที่สร้างความสับสนวุ่นวายให้กับเราได้ ถ้าเราจะสร้างแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่จะทำให้เรามีความมั่นคงมีความสุขมีความสบายของทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในใจเราถ้าใจเราเปรียบเหมือนกับบ่อน้าหรือสระน้าเรามีปลาหลายหลากหลายชนิดอยู่ในนั้นถ้าเรารู้จักจับปล า, าต่างๆเราก็สามารถเลือกจับปลาที่ดี ออกมาลือทำลายปาที่ไม่ดีให้หมดไปพอเรามีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในใจเราใจเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีความมั่นใจมั่นคงดังนั้นตอนนี้ไม่อยากจะตอบเกี่ยวเรื่องคำว่าตัวตนหรือคำว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียด สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัตินี้จะพูดไปแล้วจะฟังไม่เข้าใจขอให้มาสร้างมาปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนคือสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วทำทั้งสารนี้จะสามารถแยกแยะ ก, กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจได้และสนับสนุนพัฒนาสิ่งที่ดีให้มีคงอยู่กับใจไปจนตลอดได้ สาธุค่ ะ, ะคำถามที่เหลือขอยกไปพรุ่งนี้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศปิจานาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด